รู้ถูกต้องว่าจิตขณะนี้เป็นยังไงดีหรือไม่ดีเนี่ยหลวงพ่อไม่ว่าสักคําใช้ได้ทั้งนั้นแหลอะอของคุณว่ายังไงค่ะมีรู้สึกวันนี้โลงขึ้นนะคะฟุ้งน้อยลงหลังจากที่คิดง่วนอยู่สองสาวันนะคะก็เห็นช่วงที่ผ่านมาเห็นความสงสัยแต่ก็ปล่อยขณะรู้ทันแล้วก็ว่าอยากรู้เรื่องปฏิจจคก็ยังมันแม้รู้แล้วก็ยังเกิดขึ้นอีกเหมือนเหตุไม่จบ่ะคะให้รู้ลูกเดียวเลยนะรู้หรือคปล่า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 เลยสงสัยแต่ว่าพอไม่ทันเหมือนกลับไปเราคิดต่อละเริ่มวางาแผนต่อตรงนั้นนี่ถือเป็นพบใช่ไหมคะใช่สร้างพบขึ้นมาแล้วนะต่อถามอีกนิดทิชชู่อยากไปหยิบทิชชู่มามาเช็ดบืนนี่ก็รู้สึกเป็นหยากแล้วอ่ก็ถือเป็นนักให้รู้ทันได้คะแนนอย่าว่าแต่หยิบทิชชู่มาเช็ดเลยนะค่ะคุบ้าเนี่ยมีวันหนึ่งใช้ทิชชู่เสร็จแล้วกว้างทิชชู่ทิ้ง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 เมื่อไม่กี่วันเนี้วันสองวันนี้หลวงพ่อตันเช้าๆเดินมาที่ศาลาแต่ไม่ได้ให้โยมรู้นะเพราะโยมยังอยู่ทางน้นเดินมาเล่นๆเห็นไห้ <c oughs> ใครมาจอดรถรถวัดเนี่ยจอดแล้วเปิดไฟทิ้งไว้ <c oughs> พิจารณาดูอ๋อเด็กที่ขับรถนี่แหละมันเปิดไฟทิ้งไว้เป็นการประกาศอัตตานะเ <c oughs> นี่ยซึ่งแหมมันละเอียดมากเลยแค่ชั้นได้บริโภค เหนือกว่าชาวบ้านเ้าบริโภคแบบโง่โงด้วยนะบริโภคของวัดแบบเปิดไฟทิ้งไว้เนี่ยพระบอกหลายทีแล้วก็ไม่ปิดทุกครั้งที่จอดรถต้องเปิดไฟทิ้งไว้เราสงสัยมันเกิดอะไรนะ <c oughs> พิจารณาลงไปเนี่ยมันคือการเสิร์มอัตราว่าฉันได้บริโภคฉันได้บริโภคเพราะฉะนั้นแค่การได้บริโภคนะก็เสิร์อัตรา <c oughs> ทาอะไรต่ออะไรอัตราทั้งนั้นเลย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 มีบางคนตั้งใจไว้จะไม่มาเรียนกับหลวงพ่อเลยจนกว่าจะรู้ธรรมะนี่ก็ประกาศอัตตาอีกนะคือไม่ว่าทําอะไระนะเบื้องหลังมันก็คืออัตตาตัวตนแทบทั้นั้นนหะกลัวมีกลัอยู่ตอนนี้ถามตัวเองบ่อยๆว่ามาทําไมบ่อยๆก็ถามอยู่เรื่อยๆก็ต้องรู้ทันนะ้ามาฟังทำแล้วก็จ ะ, ม, จะมีคําตอบว่าเราไม่ค่อยเก่งเราไม่ค่อยรู้อะไรอะไรแบบนี้มีเราเห็นไหมใช่ค่ะมีเราแต่แป๊ะเรานี้ไม่เก่ง นี่เรียกว่ามานะนะเป็นกิเลสอีกตัวหนึ่งมานะเมื่อเราพูดมาสักคนละประโยคสิหลวงพ่อจะอยังแยกประโยคให้ฟัง <c oughs> <c oughs> ว่าซ่อนจิเลสอะไรไว้บ้างเหมือนที่พระสารีบุตรเคยสอนพระานุรุตนะพระานุรุตนะไปภาวนาอยู่ในป่าได้โสดาแล้วได้ที่พระจักสนะุท่านก็เที่ยวดูโลกธาตุต่างๆเกิดจับวันหนึ่งท่านก็มาถามพระสารีบุตรบอกข้าแต่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 เรียกเอาใจไว้ก่อนพอมีกําลังใจว่าฉันก็มีสัมมาเหมือนกันแต่สัมมาชนิดที่พวกเรามีนะยังคู่กับสัมปนะสังเกตไหมเดี๋ยวก็มีสติเดี๋ยวก็ขาดสติเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์ไม่ว่าตัวไหนมาตัวนั้นไปหมดทั้งสิ้นเลยนะอาส่งไปข้างหลังไปอาว่าไปมาจากเชียงใหม่ค่ะหลวงพ่อ รู้ว่ายังอยากดีอยู่อะค่ะแต่จะถามหลวงพ่อว่ายังกดยังเพ่งอยู่บ้างไหมคะยังยังกดยังเพ่งอยู่นะเยอะยมากาไหมคะไม่มากนะไม่มาก อ, าอย่างตอนนี้มันมากเป็นพิเศษเพราะมันตื่นเต้นตื่นตตอนที่ยังไม่ได้จับไม่เนี่ยไม่ได้มากอย่างนี้ตอนอที่ไม่ได้จับไม่เนี่ยกระบวนกระวายกลัวไม่ได้ไม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 เช่นแต่ละวันแบ่งเวลาเดินจงกรมบ้างอะไร้างนะทในรูปแบบไปบ้างไหว้พระสวดมนต์ท่องพุทธโธ ร, รู้ลมหายใจทําเล่นๆแต่ละวันนั้นแบ่งเวลาทําเล่นๆอย่างนี้บ้างไม่งั้นเราจะรู้สึกว่าเวเพราเราจเจริญสติรวดเดียวเลยไม่มีรูปแบบเลยเนี่ยนานๆไปว้าเวใจรู้สึกไม่ได้ทําใจหายความจริงทาอยู่อ่ว่าไปขออนุญาตครับหลวงพ่อขอส่งกันบ้านครับหลวงพ่ อ, อ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 ต้องเรียนนะต้องฝึกนะไม่ฝึกเลยไม่ดีอ้าส่งไปไปถึงไหนแล้วอ่ะกลับนมัสการหลวงพ่อครับเพิ่งเคยมาครั้งแรกครับจากใช้หลวงพ่อช่วยแนะว่าควรจะฝึกยังไงเคยฟังครับเหรอเคยฟังแล้วรู้เรื่องไหมก็พอรู้บ้างไม่รู้บ้างครับเห็นกิเลสบ่อยไหมก็พอเห็นครับกิเลสตัวไหนเกิดบ่อยอก็จะฟุ้งซ่านครับ นะเพราะงั้นต่อไปนี้ใจฟุ้งซ่านให้รู้ว่าพขฟุ้งซ่านคุณฝึกอยู่นะฝึกอย่างเนี้ยใจหลงไปคิดอนะ่ะให้คุณรู้ว่าหลงไปคิดคเดี๋ยวหลวงพ่อจะพาดูให้เป็นตัวอย่างนิดหน่อยนะรเรื่องใจของหลงไปคิดนะเนี้ยเนี้ยไปแล้วรู้สึกไหม ร, รู้สึกครับเอานะเนี่ยเริ่มเพ่งให้นิ่งๆแ ล, แล้วก็ไปกวานมันรู้สึกไหม มันตั้งท่าขึ้นมานิดหนึ่งแล้วก็เที่ยวกวานใหญ่เลยให้เรารู้ทันใจลงไปกวานรู้เนี่ยใจลงไปคิดอีกแล้วทราบไหมเนี่ยฝึกอย่างนี้นะฝึกไปเรื่อยๆครับเราต้องเพ่งต้องภาวนาอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าควรจะฝึกแค่รู้แค่นี้ครับฝึกรู้อย่างนี้ก่อนนะครับแต่ถึงยังไงสุดท้ายก็ทิ้งสมถะไม่ได้หรอกครัถ้าสมถะเป็นกําลังเป็นตัวสนับสนุนการเจริญวิปัสสนาเนี่ยเป็นงานหลัก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 ที่หนูดูอยู่เนี่ยทั้งกายแล้วก็จิตเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าถูกบ้างไหมคะหลวงพ่อถูกสิที่หลวงพ่อบอกตะกี้ไงขอให้ดูเหอะ <c oughs> เห็นกิเลสไหมล่ะเห็นคะ่ะว่าเยอะไหมยเยอะค่ะหลวงพ่อ <c oughs> นั่นแหละลดูถูกหรือไม่ถูกเราดูตรงนี้แหละแล้วก็ที่ดูเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าบางทีไอ้ตัวที่รู้เนี่ยก็ไม่ใช่ตัวเดิมด้วยไม่ทราบหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าคะโอเข้าใจถูกเป๊ะเลยนะ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 จิตมันมันก็รู้ตัวอยู่ตลอดเวลานี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะมันแข็งไปนิดนึงมันจงใจแรงไปนิดนึงผ่อนคลายกว่านั้นหน่อยนะแรงไปดูสบายๆเบาเบรู้เบาานะค่ะกลับกลับามสาสักรค่ะยกมือต่อไปเชิญเชิญทางนี้ออาทางไหนทางนี้เขายกก่อนส่งกันบ้านในรอบสามเดือนเจ้าค่ะอว่าไป ตอนนี้รู้สึก เ, เหมือนกับว่ามีอะไรมีก้อนนิดๆอยู่ข้างในถูกไหมจ้ะคะถูกก้อนนี้เกิดจากอะไรรู้ไหม <c oughs> ไมีซาเกิดจากจงใจปฏิบัติแล้วไปบังคับมันไปบังคับจิตเอาไหมค่ <c oughs> อย่างตอเราจิตจะหลงไปนั้นเราเรากลัวว่าจะหลงไปเราไปดึงมันมานี่ยัมันแน่นๆเป็นก้อนๆอยู่เราะฉะนั้นถ้าเราเลิกบังคับไปมันก็จะหายไป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 เนี่ยพระลูกศิษย์หลวงพ่อพุธนะไปท่องพุโทโธพุโทโธสมมติว่าแฟนชื่อติ๋มนะพุโทโธพุธโธไปสักพักหนึงกลายเป็นติมต๋มติ๋มติ๋มไป <c oughs> ตกใจนะไปถามหลวงพ่อพุธว่าจะทํายังไงบาปตายเลยหลวงพ่อพุธบอกให้ภาวนาไปจิตมันชอบคํานี้ถ้าเราไม่ชอบภาวนาเราก็รู้อย่างอื่นไป <c oughs> รู้ร่างกายที่เคลื่อนไหว่ <c oughs> ะกระดุกกระดิกเรื่อยๆเมื่อคืนนะ เมื่อคืนนะคะนอนไม่หลับทั้งคืนนะคะจิตมันร้องเพลงทั้งคืนเลยแล้วก็หนูตอนแรกรู้สึกทรมานมากเลยเ<อ>จ้ะคะเาค่ะแล้วก็พยายามจะทําสมถะแต่ว่าทําทําสมาธไม่ค่อยจะเป็นพอทําไปพยายามพุทโธพุทโธไปมันก็หยุดแต่พอเราหมดแรงปุ๊บมันก็กลับมาร้ององีกอย่างงี้จนทั้งคืนจนไม่ไหวก็หลอกดูมันไปเรื่อยๆอะคะ่ะก็เลยสงสัยว่าขาดกําลังของสมถะหรือเปล่าเจ้าคะคือจิตมันสอนส่นมวยให้เรานะว่าแกบังคับฉันไม่ได้หรอกฉันจะร้องเพลงนะ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 เพราเราไม่ได้ภาวนาเพื่อจะอยู่เนื้อขันแต่เพื่อให้เห็นว่าขันที่มันทํางานนั้นมันทําเองไม่ใช่ตัวเราอย่าผิดวัตถุประสงค์นะมิเงีนเสียเวลาอาคนอื่นยกมือทั้งนี้ยกมืออยู่ะส่งมาส่งมากราบน้ำมาสการหลวงพ่อคะ่ะวันนี้ลินพาคุณแม่มาคุณแม่ปฏิบัติแล้วมีคําถามสงสัยอะคะ่ะอยากให้หลวงพ่อเมตต า, าช่วยแนะนำ ด, ด, ด้วยคะ่ะช่วงนี้วันครอบครัวไหนคุณแม่คุณแม่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 ให้มันเป็นธรรมชาตินะธรรมะเนี่เรื่องธรรมดาอาเชิญยกมือคนนิสยกก่อนพระอาจารย์ค่ะยู่มพระอรจารย์ช่วยมีคุณแม่ด้วยเหร อ, อว่าไปวันครอบครัวว่างกับัารติดอาจารย์กับมาตรการแต่ฟังี่ดีอาจารย์ทุกวันเลยแต่แต่ก็รู้นะแต่ก็ไปเดอดรู้ไม่รู้มันจะถูกกอเปล่านะ ถูกสิฟังทุกวันนะฟังทุวันแลอยมรู้สึกไหมลูกเราแต่ละวันเนี่ยน่ารักไม่เท่ากันรู้สึกไหมรู้อ๋อเนี่เห็นไหมภาวนาเป็นแล้วรบางวันก็น่ารักบางวันก็น่าหยิกใช่ไหมไ<อ>นี่แหละเรารู้ทันความรู้สึกของเราได้เรื่อยๆอันนี้ใช้ได้นะเ อ, อาไปเท่านั้นยกมืออยู่ การนมัสการค่ะหลวงพอ่อคือเมื่อกี้ไม้ผ่านมาก็จะรู้สึกตัวว่าครั้งแรกเนี่ยคืออยากถามแล้วพอผ่านไปไม่ได้ถามก็จะรู้สึกว่าเออเหมือนไม่ได้รู้สึกจิตใจแต่พอครั้งที่สองที่ที่ได้ถามเนี่ยก็จะรู้สึกว่าจิต จ, จิตใจสบายขึ้นนะคะส่งกันดีแล้วละ่ะค่อยรู้ไปน ะ, ะรู้ไปเรื่อยๆดีถูกแล้วนะคะถูกแล้วรู้ไปอย่าขี้เกียจนะไม่ใช่ทําช่วครั้งชัว่วคราวนะต้อง e ทําไปเรื่อยๆค่ะ คือถ้ามามาอยู่ต่อหน้าหลวงพ่อจะรู้สึกว่าจิตใจรู้ตัวดีกว่าเวลา อ, อยู่ที่บ้านเล ย, ยะจะไม่มีเวลาเข้ามาบ้างน ะ, ะบางคนเขาก็เรียกว่ามาชาร์จแบตแต่บางคนแบตเสื่อมนะชาร์จเต็มแล้วพอออกนอกก้มหน้าวัดก็แบตหมดละ <laughs> ขอบพระคุณค่ะไปส่งไปข้างหลังหน่อยออกรามนรมัสการค่ะเวลาหลงไปอ่ะ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 เพราะแต่ละคนในะความจริงเราร้ายร้ายร้ายกว่าที่คิดเยอะเลยเพราะฉะั้นถ้าเราภาวนาแล้วเราเห็นโู้กิเลสเยอะแยะนะแสดง ว, ว่าเราภาวนาเป็นแล้วไม่ได้เก็บกดเอาไว้เฉยๆถ้าเก็บกดเราไม่เห็นกิเลสออกเราไม่ทราบว่าจริลุเป็นแบบไห น, นอ่ะเพราะคุณ <บน S 2> คิดมากอยู่แล้วนะเพราะฉะั้นคุณดูจิตไปเลยถูกเจริตอยู่แล้วส่งไปข้างหลังอีกข้างหลังส่งกันบ้านครับรอตอนนี้ก็เริ่มรู้สึกตัวบ้าแบบ เวลารู้ขึ้นมาแต่ละทีเหมือนน้ำเนี่ยหยดลงดินนะครับแล้วค่อยสร้างทำเหมือนกันไปเรื่อยๆถูกไหมครับหยดทีแรกแทบเดียวหายไปแล้วนะครับค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆสะสมนะจนเอาให้น้ำท่วมแผ่นดินเลยเปนพยามารอยู่ไม่ได้เลยครับผมขอบังครับ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 วันนี้ผมก็พาคุณแม่มาเหมือนกันครับอยากจะให้หลวงพ่อช่วยสอนแนะนำคุณแม่ด้วยครับคุณแม่นั่งอยู่ทางโน้นฮะ เ, ออเดี๋ยวหลวงพ่อถามก่อนมีคใครพาแม่ายายมาบ้างั้มเสื้อขาวครับไหนไหนยกมือซิมามคุณแม่คุณแม่ยกมือหน่อยคนไหนอ๋อนี่เหรอเสื้อขาวครับให้ฟังซีดีเยอะ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 อันที่สองถ้าทําสมาธิได้ก็ทําสมาธิเข้ามาถ้าจิตมันมีสมาธิมันจะรวมเข้ามาถ้าทําสมาธิไม่ได้ให้รู้ว่าเจ้าไปเราที่เห็นกระดับนี่คือสันตติมันขาดหรือปะครับใช่สิครับอันนี้คือขึ้นภาวนาขึ้นนี่<า>อย่าใจร้อนสิ <c oughs> บางคนก็เห็นสันตติขาดนะขาดเป็นช่วงๆบางคนเห็นคณะคณ ะ, อะคอร์ลังหนอนหนู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 นี่เมื่อก่อนช่วยหลวงพ่อเยอะเหมือนกันตอนอยู่ในทางโลกเนะีเป็ดอ้าส่งมาข้างหน้าข้างหน้ามรสการหลวงพ่อครับคือผมเพิ่งเริ่มปฏิบัติโดยการดูจิตนะฮะมาประมาณสามเดือนนะครับช่วงแรกนี่จะจะดูดูจิตว่าเห็นความโกรธความโลภอะไรพวกนี้จะเห็นชัดเลยนะฮะพอป ฏ, ปฏิบัติมาสักระยะนี่มันมันเหมือนว่ามันมัน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 ไม่ไม่ได้หลงนะนะรู้สึกเลยได้เพียงแต่ว่ากําลังของสมาธิของคุณมันน้อยไปนิดนึง <Okay. S 1> แค่ว่ามันทําอะไรไม่ได้หรอก <Okay. S 1> ก็แค่รู้ว่ามันไม่ชัดรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดรู้อย่างนี้ปนไปเอยเนอะรู้ว่าอยากรู้ให้ชัดนะ <Okay. S 1> เพราะว่าถ้าถ้าทำตามสูตรเนี่ยถ้าคุณเป็นพระป่านะก็ต้องทําสมาธิเพิ่มขึ้นนิดนึงให้ใจมีแรง oh, แล้วมันจะดูได้ชัดขึ้นให้ทำสมาธิเพิ่มนะ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 มีวันหนึ่งเห็นงูมันเลื้อยมาหนึ่งตัว เ, อ, อ, เ อ, อ็งูส่วนงูเราส่วนเราเลืมตาอีกทีแนละ้วมันมาใกล้กว่าเก่าอีก <c oughs> <c oughs> เลยโดดขึ้นบนแคล่ะงูงูก็ไปทางคนก็ไปทางเ <c oughs> นี่ยอย่างเนี้ยใจตื่นตัวดีนะเอาอาจารย์ว่าไงอาจารย์ส่งมาข้างหน้าหน่อยวสการหลวงพ่อครับมาส่งกันบ้านครับ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 ของคุณพ่อจะคิดเก่งกว่าคุณลูกอ่ะเข้ามาชาร์จแบตสี่วันแล้ ว, วค่ะรู้สึกว่าแบตมันเออแบตค่อนข้างเสื่อมเสื่อมเสื่อมมากเล ย, ยค่ ะ, ะก็เลยอยากจะขอการบ้านหลวงพ่ อ, ไ ป, อไปกลับไปสงสัยจะแย่ถ้าจเจริญ<ะ>ก็ปฏิบัตินะเสื่อมก็ปฏิบัติจเจริญแล้วดีใจก็รู้เสื่อมแล้วเสียใจก็รู้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 ก็ก็ทราบอยู่คือคือระหว่างฟังซีดีก็ก็สบายสบายก็เลยดูลมตอนแรกดูลมก็อย่างเรื่อยๆก็นี้ก็ลองยกมือสร้างจังหวะดู้วเจีมระวังนิดเดียวเวลาดูลมอย่ายให้เคลิมไปไม่ไ ม, ไม่เคลิมค่ะอย่ า, ยยายให้เคลิมค่ะเพราะเพราะว่าฟัางเจาะ อ, อยสร้างเล่นๆค่ะตั้งตั้งจังหวะอยู่คือตอนแรกเนี่ยเวลาที่อยู่พุทธมนตร์นะคะเวลาสร้างจังหวะเนี่ยให้ลืมตาฮะ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 <นะ S 1> ก็ตอนเย็นก็ไปเดินจงกลมก็ก็ก็รู้รู้ตัวตี อ, อะฮะเอาไปทางนี้บ้างใครนะยกไว้กลุ่มนั่นถอยไปเบอร์ห้าสิบเจ็ดก่อนไปกราบนรรสการพระอาจารย์ค่ะคือหนู เปฏิบัติตามรูปแบบไม่ค่อยได้อ่ะค่ะตอนออถ้านั่งสมาธินี่ไม่ได้เลยจะรู้สึกกวนกระวายไม่งั้นก็หลับไปเลยอ่ะค่ะก็จะบังคับตัวเองเดินจงกรมวันละหานาทีเป็นอย่างน้อยอ่ะค่ะก็ไม่ทราบว่าถูกหรือเปล่าแล้วน้อยเกินไปไหมถูกสิแต่ว่าทุกครั้งที่เราเดินนะไม่ใช่เดินจงกรมตอนทําตามรูปแบบเทะนะ่านั้นทุกครั้งที่เราเดินเนี่ยคอยรู้สึกตัวไปไเรื่อยๆ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 รู้สึกไหมจิตตื่นขึ้นมาเห็นไหม mm hmm. พอรู้ว่าเมื่อกี้พยักหน้าปุ๊บจิตก็ mm hmm. จะหลุดออกมาจากโลกของความคิดจะตื่นขึ้นมาเพราะงั้น mm hmm. ของคุณรู้กายไว้บ่อยๆนะค่ะรกราบขอพระคุณค่ ะ, ะส่งมาด้านหน้ามาเหลืออีกสองสามคนในเวลาเจ็ดนาทคีครับกาวธรรมศสตร์การหลวงพ่อครั บ, รบตอนนี้ผมสภาพจิตเป็นไงบ้างครับมาถามหมอท็อปเนี่ <c oughs>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 อะไรก็ได้ครับคืออยากจะขอความเมตตานะครับวันนี้มีผมมีเพื่อนมาด้วยครับเพื่อนพอดีเพื่อนผมขี้อายฮะขี้อายขี้อายอย่าส่งไมค์ให้เขาเพราะรับไม่ได้นะให้ฟังซีดีบ่อยๆไปฟังซีดีหลวงพ่อนะฟังซีดีไปแล้วก็คอยรู้ทันใจตัวเองไปนะอย่างตอนนี้เราเขินเขินรู้สึกัหมใจเราเขินเขินขึ้นมานะเราก็รู้ทัน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 เฮ้ยชื่ออะไรนะกากครับากาักม่ใชิ๊อ้าวว้าวไป ก, ก็คือว่าช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาโลเราโทสะกับราคามันแรงมากครับหลวงพอ่อแล้วเราอาศัยแบบว่าแผ่เมตตาเป็นช่วงๆได้ไหมครับได้แต่ว่าทําไมโทสะแรงบางทีราคามันแรงก่อนโทสะนะใช่ครับพอราคามันแรงขึ้นมาแล้วเราเก็บกวดนะ่ะเราผมไว้โทสะมันก็แรงสิแต่ไปนี้พอมีราคาให้รู้ว่ามีราคาครับ เห็นสาวสาวรู้สึกสวยไปหมดเลยรู้สึกไหมตอนนี้จิตมันเห็นสาวๆาวนะก็สวยไปหมดเลยก็ให้รู้ทันไปอย่าไปห้ามมันครับที่ทําผิตอยู่คือไปฝืนมันให้ปฏิเสธมันใช่ไหมครับเห็นหมาเห็นแมวตอนนี้สวยหมดละไห่ครับไม่ถึงขนาดนั้นนะะขอบคุครับอย่าไปข่มคะมันให้รู้มันนะแต่เรารักษาศีลห้าเท่านั้นอ้าวไก่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 กุ้งคนสุดท้ายตอนนี้กังวลอยู่ครับหนีแม่มาวัดค่ะแม่โทรมาตามเหรอวันนี้ต้องได้เวลากลับแล้วมัง้งก็ไม่มีอะไรมันตื่นเต้นะ